ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวพ่โพธิญาณในวันนี้คงพูดเรื่องนิวรนะปภะคือหมวดที่ว่าด้วยนิวรณ์ต่อไปวันก่อนได้พูดมาถึงเรื่องของพยาบาทซึ่งเป็นนิวรณ์ข้อที่สามเป็นกิเลสสายโทสะก็ต่อไปนั้นท่านเรียกว่าชีนามิถะ คือเป็นอาการของเจตสิกธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นปวงจิตที่สอ ง, งข้อนะคคือทีนะตัวหนึ่งแล้วก็นิทะอีกข้อหนึ่งก็นี่ท่านอธิบายไว้ว่าที น, นั้นคือมีความไม่อุตสาหะเป็นลักษณะมีอันกจาจัดความเพียนคือขี้เกียจเนี่ยมีอันกำจัดความเพียนก็หมายความไม่มีความเพียน แล้วก็ทำให้ตัวเองจมลงในเป็นผลปรากฏภายในจิตมันเกิดจากจิตที่ขาดการใช้ปัญญาพิจารณาโดยหลักคงโยนิโสมนสิการทีนี้ตัวมิทะนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะเขาก็กระติดกันยังไม่ควรแก่การงานคือความไม่พร้อมจิตใจจะไม่พร้อมเราสทรศัพท์ประงกษ่เราลองนึกดูเราสารับประงกอย่างนี้วงนอนเนี่ยมันไม่พร้อมหมดอะ ไม่พร้อมจะขับรถไม่พร้อมจะอ่านไม่พร้อมจะเขียนไม่พร้อมที่จะเรียนไม่พร้อมทุกเรื่องนะฮะขืนทําก็ไปเลยยุ่งตายเลยหลายคนสับปรกมาขับรถเนี่ยสมมุติเราขับรถเนี่ยก็ี่เกียดจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเพราะงั้นท่จึงบอกว่าเงินไม่ควรแก่การงานเป็นลักษณะเพราะอะไเพราะว่ามันขาดอุตสาหะหรือขาดตัวความเพียรแล้วก็ปกปิดทำที่จะเกิดร่วมกัน เป็นว่าความเพียรพยายามความบากบันความมันขยันต่างๆเนี่ยมันถูกทำลายไปหมดเลยแราวมีความท้อแท้เป็นผลปรากฏแล้วก็ทำให้ความคิดไม่มีระบบคือขาดหลักที่เราเรียกว่าโยนิโสปนัสสิการดังนั้นเรื่องของชีนมิทะเนี่ยเวลาทรงอุปมาก็บอกว่าทรงอุปมาเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของบุคคลอื่น จะสูญเสียความเป็นตัวงตัวเองแล้วถูกบังคับใช้ศึกใสปักใสไปตามแรงของจำนายที่เขาสั่งรา้นการเวลาทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรทรงใช้โครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าเปลี่ยนแต่ตัวประธานคือจากกามฉันเป็นพยาบาทจากพยาบาทเป็นที น, นามิทะข้อความเหมือนกันว่าอนึ่งมื่อธีนมิทะ มีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่นภายในจิตของเราหรือว่าทีนมิทะไม่มีนภายในจิตก็รู้ชัดว่าทีนมิทะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งการที่ทีนมิทะอันยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้โดยประการนั้นทีน้มิทะที่เกิดขึ้นแล้วจะรับเสียได้โดยประการใดก็รู้โดยประการนั้นแต่ทีน้มิทะที่เกิด ที่เกิดขึ้นแล้วะละทีนมิทถะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นแต่ทีนนมิถะที่ตนละแล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปโดยประการใดก็รู้ชัดด้วยประการนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่คนขั้นใหญ่เพราะว่าตัวทีนะเองเนี่ยทีนัเองเนี่ยถีนมิทถะเองเนี่ยมัน มันเกี่ยวเนื่องกับความไม่พร้อมต่างร่างกายของเราด้วยยิ่งว่าสุขภาพพลานามัยเราไม่ดีเนี่ยโอกาสจะง่วงเหงาหงอนซึ่งซึมน้งงอยเหงานนหดหูเครืคร่องเพิ่มจุดชื่อชาเย็นเหนื่อยหน่ายทอ้อถอยเนี่ยมันก็มีได้ไง่ายในขณะเดียวกันถ้าเรารับประทานอาหารมากไปมันก็เกิดสปะปงง่วงนอนได้หรือว่าอยู่ในบรรยากาศพักผ่อนน้อยหรือว่าอยู่ในบรรยากาศที่มัน ขึ้นพาขึ้นฝนอย่างนี้ ย, ยโอกาสที่จะสะะงบมันก็มีได้ง่ายวันเถี่ยมิทาก็ทรงสอนให้รู้เป็นตามลําดับคือมีอยู่หรือไม่มีกคอยรู้ตามความเป็นจริงแต่อย่างที่บอกว่าการไม่มีทีน้มิท้านั้นก็อาจจะมีอย่างอื่นก็ได้เพียงแต่ว่ากินมิถ้ามันไม่มีคือจิตมันต้องมีเจตสิก ต, ตัวหนึ่งแหละจึงจะปรากฏได้เนี่ยเพียงแต่ว่า เราก็พูดเป็นสูตรๆกันไปบานทีน้านีิทาก็มองให้เห็นโทษว่าเหมือนกับทาพมองถึงสักภาพปิดเนี่ยเหมือนน้ำที่เจอือระจอกแหนต่างๆเราต้องการจะส่องดูเงาหน้าของเราก็แหวกจอกแหนดูแต่ก็แหกไปแล้วดูก็ไม่ทันชา้าจอกแหนมันก็ปิดไป ตอนจิตใจคนที่ถูกควา ม, ม่วหนาวหงอนซึ่งซึมห้อยเงาหดหูเคลิบเคริ้มจุดชื่อชาเย็นเหนยหน่ายท้อถอยเซ็งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นระยะหนักท่านนั่นเลยมันมีอาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคเฉาตายเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังคือเป็นประสบการณ์ของท่านเองก็เป็นเพื่อนอาจารย์กับท่านนั่นแหละเป็นเพื่อนรุ่นน้อง มันก็มีข่าวที่เพื่อนเขาซุบซิบไปขว้างว่าสามีไปมีหญิงอื่นตัวเองก็เป็นอาจารย์สี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยมันก็โวยวายก็ยังไงอยู่พอดีสามีต้องไปราชการต่างจังหวัดแต่ค่าที่ใจมันไปรับว่าสามีมีหญิงอื่นเนี่ยเลยไม่เชื่อว่าไปราชการต่างจังหวัด ทางทางที่สามารถตรวจสอบไปที่สํานัก ง, งานก็ได้นะฮะตรวจสอบไปที่ปลายทางก็ได้แต่ก็ไม่ยอมตรวจสอบทั้งสองจุดจะมีไปทั้งเจ็ดวันแล้วก็นอนปรุมคิดคปรุงไปอย่างนั้นแหละใกล้ๆกับไปอยู่กับผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็จินน า, าการไปเรื่อยๆแล้วก็ซึมเศร้าไปโดยลำดับข้าวปลาหารไม่กินน้ําท่าไม่อาบ จนถึงจุดหนึ่งก็ตายไปเลยเรียโกโรคเฉาตายวันแกเล่านะก็ไม่เคยเชื่ออะไรแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องโรคอย่างนี้วันมีขนาด น, นั้นได้เคยอ่านวันนัดีจีนมีลักษณะอย่างนี้หลายเรื่องแล้วพอดีท่านก็เล่าบ่โรคอย่างนี้มันเกิดขึ้นแม้แต่แกสุนักก็เล่าถึงสุนักตัวหนึ่งเจ้าของเกิดอุบัติเหตุ เราก็ส่งโรงพยาบาลด่วนวก็รักษาอยู่หลายวันสุดท้ายก็วิ่งหาเจ้าของแต่คนที่บ้านก็ไม่รู้จะพูดกับมันยังไงได้อะนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครคิดไกลไปขนาดนั้นจนในที่สุดก็ก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลานอนอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนขนร่วงพอเจ้านายก็กลับมาเนี่ย ดีใจนะลุกขึ้นมาเนี่ตะกุยใหญ่ร้องใหญ่แล้วจนช็อกสลบไปแล้วกว่าจะกินอาหารโตขึ้นมาขนงอกขึ้นมาได้อีกอ น, น, นานพอาการทีน่นมิทะในอาการซึมเ้าอาการเซ็งอาการหมดอะไรตายยากไม่ยินดีที่จะอยู่ที่จะทำที่จะกินที่จะไปอะไรแต่ไหเนี่ยมันเป็นอาการที่ซึมลึกลงไปเรื่อยๆ จนหมดสภาพดังกล่าวเพราะัจึงทรงอุปมาเห็นว่ามันเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของคนอื่นดังนั้นจะไม่มีสระเสรีภาพในการจะทำอะไรในการจะไปที่ไหนในการจะอยู่ดังไรเพราะว่าถูกคนอื่นบังคับอยู่ตลอดระยะเวลาดันั้นท่านก็สอนให้ดูว่าถ้าไม่มีอุภายในในจิตของเรา รูว้ว่าไม่มีอยู่ภายในการทีนะยังไม่เกิดทีน่ะมิทะยังไม่เกิดและย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดนี่รู้ได้ประการนั้นทีน่ะมิทะมันเกิดด้วยเขาเรียกวันลีนะจิตตะคือจิตมันหดหู่จิตไม่พร้อมที่จะทํางานที่จะพูดที่จะปู่ที่จะกินนะครับแม้แต่จะกินก็เซ็งเซ็งคือไม่อยากที่จะกินแล้วก็ ปกติทางร่างกายด้วยแล้วก็กินอาหารมากด้วยหลายเรื่องนะนหลายเนระื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเราสังเกตเรื่องสีนสีลแปดนะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เราจะเห็นว่าโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยสีนจากข้อที่ที่หกถึงข้อที่แปดเนี่ยมันไม่ได้บากกรรมอะไร คือไม่ใช่บาปกรรมสากลพูดง่ายว่าจะไม่บาปกรรมอะไรก็ไม่ได้นะแต่ไม่ใช่บาปกรรมสากลเพราะถ้คนกินค่าบาปต้องตกนรกแล้วก็เสร็จเนะี่ยคนก็ไม่ต้องอยู่กันตายหมดตกนรกหมดเลยแต่นี่มันเป็นปณติวัชชะมันเป็นอุบายวิธีในการฝึกคนในการฝึกจิตใจของคนสิ่งที่วังการควบคุมจริงๆก็คือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ เพราะว่าศีลข้อที่สามเป็นอภรรมมดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเรารับประทานอาหารมากๆมันก็มีปัญหาว่าไปกระตุ้นการมาลาคะไปกระตุ้นความต้องการทางเพศแั้วก็ส่บันญััิศีลเอาไว้แล้วก็นัดจากยีตะมาลาแลแะจะเลมเหมือนกันหมดนะฮะเราลองสังเกต ด, ดูกระตุ้นราคาทั้งนั้นเลยแ้ก็ส่งมัหยัดศีลคนนี้เอาไว้มันเป็นแนวของ าที่จะปรับจิตได้พร้อมจ ะ, จะเจริญสมาธิภาวนาเพราะงั้นเมื่อเราต้องการจะบรรเทาหมายความว่าทีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทายังไงจะบรรเทาได้เราก็พูดเฉพาะด้านบรรเทาซะกอ่อนแต่ละได้มันต้องระดับพระอริยะแล้ว ถังไม่มีใครไปลากความงุ่วงอนได้เพราะมันติดตัวมาโดยธรรมชาติอ่ะนะเนว้นไว้แต่พระอราหันต์ท่านไปตื่นอยู่ตลอดท่านมีสติเต็มที่นะฮะมีสติเต็มที่เนี่ยก็คงลักได้ขาดในระดับนั้นเออทีนนมิทะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวิธีที่จะบรรเท่านั้นก็คง คือนึ่งที่สังเกตการบริโภคอาหารย้ายมากเกินไปย้ายน้อยเกินไปอันนี้ก็ไปเจอเดียวกับเช่นเดียวกับการมาฉันนะลองสังเกต น, นะครับเพราะว่าการอาฉารนั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอาหารมากเกินไปถ้าเราสังเกตว่าการรับประทานอาหารของเราเนี่ยบัญหดที่รับประทานอาหารมากเกินไปมันก็ง่วง พอหันย่อยแล้วมันรู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระพิกระป๋แล้วก็มีความรู้สึกในทางเพศสูงดังนั้นเรื่องอาหารเลยต้องคุมต้องคุมทั้งสองเรื่องอย่างที่บอกไว้ตอนพูดถึงกา ร, รมฉันว่าอาหารเนี่ยทำมากเกินไปในช่วงแรกก็จะเพิ่มถีนมิทะนิวรา์ในช่วงที่สองก็จะเพิ่มกรรมฉันธนิวรณ์ แต่ถ้าน้อยเกินไปเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะเพิ่มอุท ธ, ธจักกุกุจักกุกุจักนะฮะคือรําคาญหงุดหงิดแล้วในช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นพยาบาทคือโทสะโมโหหิวประเภทโมโหหิวทั้งหลายเนี่ยนั้นเราเราจึงจึงเห็นว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยแต่เราสังเกตได้ดีแล้วเนี่ย มันเป็นตัวหลักบ้างเป็นอุปกระบ้างเป็นสนับสนุนมีเป้าหมายอย่างอืง่นเรียกอุบายยิธีในการฝึกพุทธเวทในของพระองค์ก็ต่างนองคล้ายๆกับเ e ตียพระมีกระต๊อบเล็กๆอยู่อาศัยเนี่ยเราเห็นได้ว่าต้องการคุมโลภะคุมราคะคุมโลภะเป็นหลักเพราะว่าถ้าที่อยู่อาศัยเราแคบๆเนี่ยมัน อยากได้อะไรก็อย่างนั้นเนะ่ยมันมันไม่รู้จะเก็บที่ไหนอะ่ะในสุดมันก็ต้องบรรเทาความอยากไปดังนั้นให้สังเกตอาหารที่รับประทานเข้าไปเห็นว่าอีกสักสี่ห้าคแต่อิ่มมาความมาหลังจากรับประทานของหวานแล้วนะอีกสี่ห้าคแต่อิ่มเนี่ยก็หยุดรับประทาน แล้วื่มน้ําคือไม่ใอิ่มที่ของหวานหรือไม่อิ่มที่ของข้าวนะแต่อิ่มด้วยด้วยรู้สึกอิ่มพอประมาณไม่ใช่ว่าอิ่มจนตื้อไปตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมแต่ไม่ใช่ว่าควบคุมมากจนอา่านไม่พอนะฮะจนขาดสารอาหารมันก็ไม่ได้เหมือนกัน วิธีการทั้งหมดต้องนึกถึงหลักมัชฌิมาปฏิปาทาคือทางสายกลางที่ทรงวางเอาไว้มากไปก็ไม่ดีนะฮะน้อยไปก็ไม่ดีแล้วก็ผัดเปลี่ยนอียาบทเรียอยู่ในเรียบทไอยาบทใดยาบทหนึ่งนี่มากเกินไปแลนอนมากมันก็ซึมนะฮะนอนมากก็ซึมนั่งมากมันก็เครียดเดินมากมันก็เหนื่อยยืนมากมันก็เมื่อย เพราะฉะนั้นให้อยาบที่เสมอก็เรียกว่าปรับอายาบทให้สม่ำเสมอไม่เคลื่อนไหวอยู่อย่านั่งเฉะในที่นั่งนอนเฉะในที่นอนยืนแฉะในที่ยืนไปเดยมีคงไม่แข็งแระแต่มันก็เหนื่อยเป็นการปรับเปลี่ยนอายาบทควบคุมอายาบทให้สม่ำเสมอโดยหลังนี้เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช้อายาบนั่งในนาน อย่างทํางานในสํงงานักงานเนี่ยส่วนส่วนหนึ่งเราก็ใช้ย่ยบดนั่งมากอย่างพระนี่ลองสังเกตว่าจะมันจบรงที่เขาไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราท่านอยู่ในบทนั่งมากแล้วนั้งพักเพียด น, นั่งขัดสมาธิเนี่ยเป็นเรียบทที่ไม่ค่อยสนุกนักน ะ, ะถ้านั่งนานๆเนี่ยแพทย์เขาบอกว่ามีปัญหาแล้วเราก็เคยเจอนะครว่าพระเรามีปัญหาที่เขา ไม่เข่ามากก็นั่งกระยมแต่ตัวไม่ค่อ้วนไม่ค่อ ย, อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ตัวอ้วนมันก็ ห, หนักจะทําให้กระดูกมันเสื่อมจะมีปัญหาต่อไปอีกมีปัญหาอะไรปีนเดือดหงุดหงิดนะฮะหงุดหงิดก็คือเกิดอาการของอุทธจักกุกุจักเพราะ้นจริงๆแล้วนี่ถ้าเราดูให้ดีมันเป็นการบริหารทา้งกายทั้งจิตที่ทรงวางไว้เป็นขั้นเป็นตอนเนั้น เคื่อกายกับจิตเนี่ยเขาเอ้วกันไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหนักเกินไปถ้ากายทั่วคนเนี่ยจิตมันก็สงบไปได้กายกระสับกระส่ายเนี่ยจิตจะสงบไม่ได้หรือจิตกระสับกระส่ายเนี่ยกายจะสงบไม่ได้เหมือนกันเ น, นี่ยตรงนี้พอเราดูแล้วมันก็แนบเดียวกับที่สมเปลี่ยนทุกขลักกิยา การทรมานผาาัวกรายโดยการอดประกาหารมาโดยลาดับส่วนนี้จะเสด็จดำเนินไปก็ไปไม่ได้แนละ้วหกล้มส่วนล้มอย่างในี้ใจไม่พร้อมที่จะทำอะไรในที่สุก็ต้องหันมาบำรุงร่างกายจนมีความสมบูรณ์พอที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตได้ก็เริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็ในที่สุดก็จะจ ะ, จะรู้ร้อนแบบเหล่านี้มันเหมือนที่จริงมันผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้ว ประการต่อไปนั้นให้มนสีการถึงอารมณสัญญาคือทาใจให้สว่างสวมงองไปในทิศต่างๆที่มันสว่างมองดวงไฟมองอะไรต่อไรเนี่ยมองดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มองช่องช่องว่างต่างๆที่แสงก็เข้ามาเนี่ยเพื่อทำให้รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เวลานอนเวลาที่จะต้องตื่นตัว ปฏิบัติภารกิจการงานด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความมันขยันแล้วอย่าไปอยู่ในที่ทึมๆนาบอับทุบๆเนี่ยมันชวนให้เ่วงสถานที่เนี่ยมีความต้องการเหมือนกันถ้าเราอยู่เราเคลื่อนไหวอยู่ในที่แจ้งแต่ก็นั่นแหละคือร่างกายเนี่ยยังไงเนี่ยมันมันเมื่องถึงจุดหนึ่งก็ต้องนอน่นะ ไปแก้ไปไปฝืน อ, อะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของร่างกายหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจระปวดปะสะวัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติของร่างกายไปถึงจิตหนึ่งเขาก็ต้องได้พักผ่อนแต่ว่าทำยังไงว่าในยามปกติก็อย่า อ, อยู่ในที่อับทึบเกินไปนะอยู่ในที่แจ้งแล้วก็ เขาาการยาณมิตรอีกเช่นเคยนะเอื่องกัรยานามิตรนี่ทุกรื่องหีือว่าลงตัวคือสัพยาการถากับกัรยานามิตรตาเนี่ยสัพยาการถาก็คือพูดกันโดยถ้อยคําที่มันสร้างสรรค์มันส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆอย่ลองสังเกตเวลาไปอบรมเด็กที่ต่างๆนะียคือถ้าเราบรรยายรวดไปเนี่ยจะจะเด็กจะง่วง คือส่วนมากก็พูดข่าวละสองชั่วโมงนะฮะที่จริงสมัครเด็กเรวก็หนักไปนะแต่ว่าตารางก็กาหนดไว้ง่ายพูดสองชั่วโมงเมื่อเลยจะใช้วิธีการตอบปัญหารือจะพูดไประยะหนึ่งแล้วก็รูปปัญหาเขามากไหมถ้ามีปัญหามากนี่จะตอบปัญหาเลยแต่ถ้าเวลาเหลือก็ค่อยค่อยพูดสรุปประเด็นในเรื่องต่างๆเนี่ย คือาอย่างนี้เนีจิตมันจิตมันได้เปลี่ยนเรื่องมันก็ตื่นตามติดตามอยู่ตลอดระยะเวลาเราอ่านคําถามแล้วก็เสร็จแล้วเด็กมันก็รอเออคาถามนีออ้ก็จะตอบอยังไงคําถามนี้จะตอบอยังไงคําถามนี้จะตอบยังไงคือบางอย่างครูบาอาจารย์เดี็กเขาคุมเด็กมาเนี่ยเ ข, เขาก็เขาก็งงเลยนะฮะว่าเด็กไม่สนเลยตลอดระยะเวลาที่บรรยายอยู่สองชั่วโมงเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็คือเรื่องมันเปลี่ยน ด้วยมันเปลี่ยนเป็นการตอบปัญหาไม่ใช่ว่าเราพูดดีเดอะไรนั่งหนาแต่มันมันเป็นเป็นการทําให้เกิดสนใจกระตุกจิตสนใจไปเรื่อยๆทําให้ปลี่นตัวแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องอาการงี่เงาหองนอนต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปนั่นก็คือแนวสัพยาการะขาในแนวการบรรยายอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าสามารถครองใจคนไว้ได้มากแม้เพราะว่า สันทัศนาคือแสดงเรื่องหนูนั้งชัดเจนแล้วก็กระตุ้นเชิญชว น, ช, วนชักชวนให้เห็นตามค่อยตามโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้รู้สึกตัวเองจะต้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นตังงนวง่ายก็คือการละชั่วกระเพิดความดีแล้วก็กระตุ้นนะฮะให้เกิดความพึกเขือไม่เกิดความกล้าหาไม่เกิดความเชื่อมัน่นแต่ละอย่างนี่มันมง่ง แล้วก็สำบันสนาเพลินคือรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจอยู่ตลอดระยะเวลาก็งนึกดูว่าบางทีเนี่ยพระเทศเนี่ยเทศได้เป็นสิบชั่วโมงก็มีนะว่ากันทั้งคืนนี่เทศกันทั้งคืนเนี่ยนี่ก็มีโยมฟังกันได้ก็เป็นเรื่องแปลกบางทีก็สี่ห้าชั่วโมงก็เทศได้ แต่ว่าเรื่องมันมันต้องมีลักษณะอย่างเนี้ทําให้เขาตื่นตัวนะตื่นตามแล้วก็ติดตามไปอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ง, องสัพพายาคาถาและในมีเรื่องบางเรื่องที่มันถูกอัตยาใัยคนแล้วคนอยู่ได้โดยไม่โดยไม่ง่วงเนี่ยเราสังเกตว่าเช่นไอ้พวกบันเทิงต่างๆสนุกสนามต่า ง, ง, ง, เ ง, เงๆงเนี่ยรื่นเริงต่างๆเนี่ยผ่านวันเวลาไปเท่าไหร่ยังไม่ทันรู้เลย แต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมชนทะคือให้พอใจในธรรมะหรือพูดจาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนก็ตุ้มเตือนเร่องราวให้มีความเชื่อมั่นอาจฐานเพราะว่าจิตดศรูนี่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดที น, นะมิท่าคือว่างนาวหางอนเนี่ยเพราะฉะนัจิตให้กล้าหาญขึ้นมาให้ได้โดยบายวิธีต่างๆก็แล้วแต่ยกนิทานเล่านิทานยกตัวอย่าง แต่การะลราดได้ขาดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นต้องระดับอริยมรรคพูกนี้อาการของเขานั้นเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับทางร่างกายเพราะงั้นจึงท่านวัวกันทั้งสองอยาง่างกายก็ต้องดีด้วยนะถ้าร่างกายเราไม่ดีแล้วเนี่ยแม้แต่เราเป็นสามัญชนเนี่ยจะบังเทามันก็ยาก บางคนจึงปล่อยวันเวลาให้ร่วงไปโดยการนอนหลับโดยการติดอยู่กับความสนุกสนานโดยการนอนหลับคือมันไม่ใช่ซึ่งสนุกหรอกแต่ว่าใจกายมันไม่พร้อมนั้นจึงต้องดูแลสุขภาพกายด้วยอันนี้มันเป็นปนัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตแต่ว่าเนื่องจากเขาเือกูลกันต้องดูแลทั้งสองฝ่ายตหากว่ากายกับจิตเขาไม่คือกูลกันแล้วนะี่ยังไงเราแก้ยากนะความม่วงเนี่ย ในส่วนผลสูงสุดระดับระยะบุคคลนั้นก็ยังต้องไกลอยู่ก็สําคัญว่าในชีวิตประจําวันของเราเอาขนาดว่าทํางานอะไรเอาจริงว่าจังตั้งใจจริงตั้งใจจริ ง, ง, จจรงทํา ง, งานด้วยความมันขยันคือลุยไปแล้วก็ควรจะปรับเปลี่ยนนะฮะควรจะปรับเปลี่ยนงานที่เราทําเนี่ยอย่าให้อย่างใดอย่างหนึ่งมันซ้ําซากมาเกินไปก็เปลี่ยนงานเสบ้างเปลี่ยนนิยามบทเสบ้างเปลี่ยนอารมณ์เสบ้างเปลี่ยนเรื่องเสบ้าง เพื่อจะให้มีความต่อเนื่องคือจิตใจมีความเพียนพยายามที่ต่อเนื่องเพราะว่าถ้าจําเจช้ำซากเนี่ยมันก็ไปมันก็รอดเหมือนกันอย่างข้อนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวทุกฟังทลายใต้หลวงพ่อพุทธยากในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี